บรรยายรำเนื่องในวันครูวันที่16มกราคม2560กาบนมัส ก, การพระคุณเจ้าภิกษุณีสามเณรคุณไม่ชีกัลยาณมิตรทุกคนนะก็นั่งนั่งสบายก่อนเนาะก็หมุนวนมาครบรอบอีกหนึ่งปีนะที่เขาอุปโลกว่าเป็นวันครูนะครับ ก็เรามีครูมาใหม่ๆหลายท่านก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยประเพณีวัฒนธรรมของที่นี่นะตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยหลายปีแล้วละ่ะเกือบ20ปีครูถูกฆ่าทิ้งหมดละเหลือแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์2อาจารย์3คิดแบบระบบราชการคือเหมือนเป็นอาชีพครูแต่จิตวิญญาณความเป็นครูนั้นไม่มีนะทุกคน เรียนเพื่อมามีอาชีพเป็นครูแล้วก็สร้างฐานะตัวเองไต่เต้าด้วยราบยศสรรเสริญครูเนี่ยคือครูลุกผู้ประสาทวิชาแต่ตอนนี้อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สต้องทำผลงานนำเสนอเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจิตวิญญาณซึ่งเป็นครูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่นะ ครูโบราณเขาเป็นทั้งพ่อแม่พ่อครูแม่ครูไม่ใช่ให้ประสาทวิชายอย่างเดียวเขาต้องตามเด็กไปถึงบ้านนะดูทุกสุขนะดูทุกสุขชีวิตความปลอดภัยต่างๆนั่นคือเขาเกิดจากสำนึกแต่ตอนนี้เนี่ยอารมณ์แบบนี้ถูกฆ่าตายหมดลว เพราะระบบคิดแบบวัตถุนิยมทุนนิยมทุกคนทำเพื่อสร้างฐานะของตัวเองนะการให้ไม่มีบอกธุระไม่ใช่นะก็ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในศูนยนะ์ศูนย์นี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนโดยบา ร, รมีของสมเด็จยา่าปีนั้นโนโยบาย ของบ้านเมืองถ้าข้าราชการคนไหนมาบวชถวายสมเด็จย่าได้สองกัน้นพ่อครูก็เป็นเจ้าภาพบวชนะเจ้าคณะเอ่ศึกษาที่การอำเภอตอนนั้นยังมีศึกษาที่การอำเภอคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเปลี่ยนระบบใหม่นะก็มาขอร้องพ่อครูให้เป็นเจ้าภาพก็มีคนมาสมัครบวชพระภิกษุ11ึรูปคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วงานนั้นเราบวช ชีพามบวชสามเณรสูมมนสนี้เกิดขึ้นในวันนั้นนะตรงกับบรรมาคะบูชานะมีการเวียนเทียนเกิดขึ้นแล้วก็บินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านเหลืองทั้งหมดนะบางคนเดินเวียนเทีย น, ยนก็ร้องไห้ไปนะมาพบกันโดยไม่ในนัดหมายนะมาจากทั่วสารทิศ ตอนนั้นศูนย์ยังไม่เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นวันนั้นนะเพราะกูคิดว่าเอบวดสิบห้าวันเพียงแย์จะเอาสองขั้นนะ่ะมันไม่ได้อะไรนะก็เลยขุดบ่อน้ำสร้างศ า, าลาเนรมิต ท, ทุกอย่างภายในสองอาทิตย์เพื่อรองรับงานนั้นนะพระที่ท่านบวชแล้วเนี่ยก็ต้องปักปักกดนอนอยู่ในป่านะพอถึงวันนี้วันที่สิบสามตุลาที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมานะพ่อหลวงของเราได้เสด็จสวรรคตบังเอิญพวกกูต่อศูนย์จิตใจเสร็จพอดีศูนย์จิตใจ ย, ยังค้างอยู่อย่างหนึ่งที่พักเนนะอันนี้ติดค้างไว้ก่อน <c oughs> น่าจะปิดเทอมแล้วค่อยมานั่นทีนี้เหมือนพ่อหลวงเราเตือนนะพระ อ, องค์ขึ้นคองลาดตอนปี2493เป็นปีที่พวกครูเกิดพอดี พ, ออพระองค์พระราชดำรัสแรกนะคือพระ อ, องค์เป่องออกมาว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยามและเจสิปีที่พระ อ, องค์ขึ้นคลองลาดเนี่ยพระ อ, องค์ก็ตั้งมั่นในปณิธานนั้นแล้วก็ทั่วโลกยอมรับที่พระ อ, องค์เป่องออกมาไม่ได้ผิดเลยไม่ได้ละเว้นหน้าที่แม้แต่หนึ่งอย่างขนาดพระ อ, องค์เนี่ยเป็นพระราชาเป็นพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เสพสุขอย่างเดียวไม่มีใครว่าแต่พระองค์ม่ใช่ทำอย่างนั้นพระองค์เป็นพ่อหลวงเป็นแบบอย่างนะแล้วไม่ใช่เจ็ดวันไม่ใช่เจ็ดเดือนไม่ใช่เจ็ดปีเจ็ดสิบปีนะโดยเฉพาะรุ่นหลังๆไม่ค่อยรู้นะมีเรื่องใดบ้างที่พระองค์ไม่ไปใส่ใจพระองค์ไม่ได้มาบริหารแบบข้าราชการ ต้องการสองขั้นสามขั้นกเกษียณแล้วหน้าที่ฉันไม่ใช่พระองค์ทรงปฏิบัติภาร ก, กิจนะจนถึงวาระสุดท้ายจนมีพระชนมายุ8 9พรรษานะทั่วโลกตะลึงในเจปีที่ผ่านมาในร้อยปีที่ผ่านมาในโลกนี้มีพระองค์เดียว เพราะพระ อ, องค์มีลูกหลายคนลูกคนนี้เจอน้ำแรงสร้างฝนเทียมลูกคนนี้น้ำท่วมสร้างเขื่อนสร้างแก้มลิงนะลูกคนนี้เจ็บป่วยมีแพทย์เคลื่อนที่ลูกคนนี้จนไม่ได้การศึกษาเปิดโรงเรียนพระ อ, องค์บริหารแบบไม่ต้องบริหารคือเกิดจาก สำนึกซึ่งเป็นพ่อซึ่งรักลูกทุกคนแต่ระบบราชการทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ฉันกเกษียณแลนะ้วก็จบนะแล้วๆนี้ก็มีข้าราชการผู้ใหญ่นะระดับนายพลนะมาใช้สถานที่ตรงนี้เอาชาวบ้านมาอบมรมเรษกษตรกจพอเพียงนะท่านก็พูดว่าท่านคงช่วยเหลืองานนี้ได้อีกสามปี พอสามปีจะกเกษียณแล้วไงพอพูดเสร็จพ่อกูบอ ก, กบไม่ได้ต้องตลอดชีวิตเราทำเพราะเป็นหน้าที่ตามตำแหน่งเราไม่ได้ทำเพราะเกิดจากสํานึกแก้เรื่องนี้ก็โผล่เรื่องนี้แก้เรื่องนี้โผล่เรื่องนี้เพราะการศึกษามันแยกส่วนแยกซอยเป็นวิชาวิชาเก่งเรื่องเดียวแต่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัว นะในฐานะที่วันนี้เป็นวันครูโดวยเฉพาะคุณครูโรงเรียนเรามาเนี่ยต้องเปลี่ยนสํานึกใหม่ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วยกความคิดเดิมๆว่าเด็กต้องไปท่องจำอํำวิชาที่สอนอะไรเนี่ยนะโอ้เรียนคอมพิวเตอร์มันไม่ดีคูสู้ครูสอนไม่ได้ถูกแล้วถ้าครูคนนั้นมีสํานึกแต่ถ้าครูขี้เกียจเมื่อไหร่ฉันก็ไม่สอนนะแล้วไม่ใช่เก่งวิชาการแล้วก็ คุยกันไม่รู้เรื่องมันไล้สาระการศึกษาทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ในวาระนี้ถือโอกาสนะเราโศกเศร้าประเทศไทยเราสูญเสียครั้งใหญ่โลกใบนี้ในมวลมนุษยชาติสูญเสียครั้งใหญ่นะเราเปลี่ยนวิกฤตตรงนั้นให้กลายเป็นโอกาสนะเราแสดงออกถึงความกระตันอยู่รู้คุณ เราปลงผมกัน239ชีวิตนะแล้วบังเอิญศูญนย์นี้เด็กๆประถมมัธยมนะไม่อยากบอกว่าเรารู้ล่วงหน้าเรามีโอกาสบวชเข้าพรรษาถวายแด่ในหลวงของเราช่วงที่พระองค์ยังประชวรอยู่โรงพยาบาลศิริราชยังไม่ออกพรรษา สนะิ13ามตุลาพระองค์ก็สวรรคตและเราก็บวชต่อนี่คือสำนึกความกตัญญูรู้คุณไม่ใช่รักชาติแต่วาจามีแต่พูดนะพราครูพูดได้พราะครูถอยชีวิตมา28ปดปีพราครูทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะพ่อครูไม่ได้กินเงินเดือนไอ้พวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนั่นแหละระวังนะคิดว่าตัวเองเก่งนะ ตกเราลกไม่รู้เรื่องนะแทนที่เราแม้กระทั่งวิชาสังคมสงเคราะห์เห็นไหมชื่อมันก็บอกแล้วมันเรียนเพื่อให้สังคมสงเคราะห์มันเราต้องเรียนเพื่อสงเคราะห์สังคมนี่คือทุนนิยมคือวัตถุนิย ม, ะ น, ยมนะเราทำเราก็แก่ไปวันหนึ่งเราไม่ทำเราก็แก่วันหนึ่งตายเปล่านะ คนที่มีปัญญาซึ่งมีความชันฉลาดแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ง่ายต้องอย่าให้เวลามันผ่านไปโดยใช่เหตุถ้าคนฉลาดต้องใช้เวลาทุกๆนาทีเนี่ยตักตวงสร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองคือทรัพย์ภายในบางทีชาตินี้มันเดินไม่ถึงฝั่งมันจะได้ไปใช้ในอนาคตชาตินะ เป็นครูอย่างเดียวไม่พอตอนนี้ครูเขาตายหมดแล้วไงมีแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์จะทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละบ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้ตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยการศึกษาแพ้แม้กระทั่งเวียดนามแพ้แม้กระทั่งขเขมรในฐานะเราเป็นครูเราไม่ไอายเหรอเพราะครูอายเพราะครูถึงทําไงนะแต่ไม่ใช่ครูสอนแค่วิชาการในโรงเรียนนะสอนให้เด็กเด็เขารู้จักชีวิตแต่ถ้าคุณครูเองไม่รู้จักชีวิตเราจะสอนให้เด็กรู้จักชีวิตได้อย่างไร นะรู้แต่เรื่องวัตถุไปสร้างหนี้สร้างศีลกันตอนนี้เป็นยังไงหลายปีก่อนพ่อครูระวังเรื่องนี้ตอนนี้ปล่อยให้บริหารตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกับโรงเรียนที่อื่นทุกคนเป็นหนี้หมดนะไม่มีใจละไม่มีอารมณ์ละอะ่ให้เขาทวงหนี้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีไหมเมื่อครูบริหารชีวิตตัวเองไม่ได้ครูไม่อิสระครูอยากได้จนเป็นหนี้ เราจะสอนเด็กให้มันไม่เป็นหนี้ได้อย่างไรความไม่มีหนี้ศินเป็นลาบอันปเสรฐแต่ตอนนี้เราถูกวัตถุนิยมครอบงินหมดเพราะความอยากของเราทุกคนมีความอยากก็ไม่เป็นไรกดเปรี้ยวกินหวานได้ไหมเงินที่เราจะผ่อนส่งนี่เออวันนี้จะผ่นอนส่งซอนโซรถคันหนึ่งอ่าวว่าแปดพันก็อนเงินแปดพันนี่ฝากธนาคารไว้ได้ไหมฝากจนมัน ไปซื้อเงินสดเลยได้ไหมฮะรถคันหนึ่งห้าแสนไปผ่อนปุ๊บกลายเป็นเจ็ดแสนแปดแสนเพราะเราอยากเกินไปเราเอาเงินอนาคตมาใช้ไงอันนี้คือไม่พอเพียงเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเราใช้ไปหมื่นสองนะก็ดึงหน้าดึงหลัง มีเงินเดือนหมื่นหนึ่งหัก1มืนสองเหลือเท่าไร่ติดลบสองพันคนหนึ่งมีเงินเดือนห0 0พันแต่ใช้ไปสามพันหักลบเหลืออยู่สองพันคนมีเงินเดือนห0 0พันมั่นคงกว่าคนมีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเราคิดว่าเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเราก็มีรายได้เราเข้าใจภาษาผิดเงินเดือนหมื่นหนึ่งเนะี่ยเป็นแค่รายรับรายรับหักรายจ่ายถึงจะเป็นรายได้ บ้านเมืองส่งออกส่งออกโอ้ g d ดีเติบโตหลอกกันส่งออกไปล้านหนึ่งสั่งเข้ามาล้านสองขาดทุนไปสองแสนแต่ถ้าเราส่งออกน้อยหน่อยหนึ่งไม่ต้องส่งล้านหนึ่งส่งออกไปห้าแ0นเข้ามาในบ้านเมืองห้าแ0 0เออซื้อบางอย่างสองแสนเราเหลือสามแสนเรามั่นคงกว่าเราถูกทุนนิยมมันหลอกเขาหลอกเราว่าต้องทำให้ต่างชาติเชื่อมั่น จะได้มาช่วยลงทุนบ้านเมืองจะเจริญถ้าการลงทุนเป็นการช่วยเหลือชาติเนี่ยไอ้ต่างชาติมาลงทุนเมืองไทยนี่มันโง่หมดเลยมันจะทำให้เมืองไทยเจริญได้ยังไงมันรักเมืองไทยมากกว่าประเทศเขาเหลือมันโกหกเราส่งออกส่งออกได้เงินมาล้านหนึ่งมก็ส่งคืนไปประเทศเขา9ก้าแสนอีกแสนหนึ่งมาใช้ค่าแรงงานถูกๆรัฐบาลเก็บภาษีทางตรงทางอ้อมมันไม่พอกับค่ารักษาพยาบาล มวลภาวะที่มันทิ้งกับเราแล้วเราขายราคาเพื่อไล่ราคาถูกขายข้าวราคาถูกเปลี่ยนเป็นเงินดอลล่าเพื่อจะไปซื้อน้ํามันมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้พวกในทุนถ้าคุณครูไม่ระวังล่ะแทนที่ตำแหน่งครูอาชีพครูเนี่เป็นอาชีพที่สุดยอดสมัยก่อนเขาบอกเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ให้เป็นผู้ประสานวิชาเป็นคนสร้างคนแต่ครูเองยังสร้างตัวเองไม่สาเร็จ ครูเองยังสร้างนี่สินแล้วครูเองเนี่ยจะมีกิิกาใจเราไปสร้างคนเพราะว่าครูไม่มีสานึกครูมีแต่ความอยากอยากก็อยากให้มันเป็นเราไม่ใช่พระอรหันต์เราก็มีความอยากอยากให้มันเป็นอย่าอยากให้มันตายนะขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งต า, ต, า ต, า ต, าตายตายตายตายโคมตายเลยน่มันขี่ไม่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสีให้มันเป็นอย่าขี่ให้มันตาย จะนั่งรถขับรถต้องขับรถให้มันเป็นถ้าเป็นหนี้ปุ๊บมันตายทั้งเป็นเพราะว่ามันจะไม่สงบเป็นไปหมดเลยเห็นหให้เก่งๆอะไรเก่งแล้วยังไงตั้งแต่ผู้บริหารลงมาในหลวงพระองค์เคยเตือนว่าเราสามารถมีสิ่งที่หรูหราได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนต้องไม่เปียดเบียน การที่ทำให้ตัวเองเป็นนี้นะ่ะเบียดเบียนตัวเองแล้วดีไปดีก็เบียดเบียนคนข้างๆด้วยมันไม่ใช่หน้าหน้าภาคภูมิใจนะวันนี้เป็ น, ปนวันครูเราต้องพูดความจริงนะไอ้ที่พลาดไปแล้วให้เป็นบทเรียนให้เป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่พลาดแล้วพลาดอีกวิ่งกระเสือกระสนตามหามันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันเราก็เป็นที่ฆ่าเป็นแค่ทาต หาเงินหาเงินเพื่อจะซื้อรุ่นใหม่สนองไอ้ทุนนิยมให้มันรวยขึ้นพวกกูเป็นทุนข้ามชาติพวกกูขายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกสุดท้ายพรา ก, กูหาความสุขไม่เจอถึงถอยมาอยู่ในป่า น, นี้ต้องใช้คำว่าป่านนะสิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้ามาแรกๆไม่มีถนนเข้ามาบ้านแหลมทองมีแต่ทางเกียนไม่มีสะพานข้ามมาตรงนี้แค่นิดเดียวน่ะต้องนั่งเรือข้ามมาพรากคูมาอยู่ป่านี้ สิบเป็ดปีไม่มีไฟฟ้าสงบเย็นไม่ใช่พอเพียงไม่ใช่ว่าพอแล้วนะเร็วๆนี้หน่วยงานเอาคนมาอบรมที่นี่พวกครูบอกว่าการแก้ปัญหาคนจนเนี่ยไม่ใช่ไปทำให้คนจนรวยขึ้นวิธีทำให้คนจนไม่ทุกข์คือ ทำยังไงให้คนรวยเนี่ยมันหยุดรวยซะถ้าคนรวยเขารู้จักคาว่าพอเพียงเนี่ยเขาจะเป็นเศรษฐีทันทีเขาจะมีเศษส่วนเกินจะแบ่งปันและเขาจะมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่พอเหมือนพ่อครูเคยบอกว่าสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยมากกําลังจะลงไปนอนข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้แล้วจะสู้มันไม่ได้ก็กัดฟันสู้ทนเนี่ยสร้างสร้างสร สร้างถึง99ชั้นหมดแรงตายก็ไม่ลงเพราะเหลืออีกชั้นหนึ่งตั้งปณิธานมาแล้วเนี่ยต้องสู้มันให้ได้ตายไม่ลงแต่มันกําลังจะตายทํำยังไงก็เรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกวัวมันมีทุกข์เหมือนเราเราโง่ไม่พอตลอดชีวิตให้ลูกหลานเราโง่ด้วยเพียงแค่วิ่งตามวัตถุซึ่งที่สอนมาตลอดเวลาแต่เผลอนิดเดียวปึ๊บแตกหมด นะวันนี้ก็เป็นวันครูถ้าเราไม่พูดความจริงกันน่ยคุณครูก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แล้วเด็กๆที่สอนเขาเนี่ยเขาก็หลงทางแบบครูตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนครูกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วไปสอนเด็กอย่า ก, กินเหล้าสูบบุหรี่มันไม่ดีนะมันไม่มีน้ําหนักคุณครูอยากได้จนสร้างนี่สร้างสินแล้วไปบอกเด็กว่าอย่าสร้างนี่สร้างสินนะมันไม่มีน้ําหนัก เราไม่ต้องพูดถ้าเราทำเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเขาก็เห็นเองต้องปลุกสมนึกตัวเองขึ้นมานะคุณครูอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเก่งแบบโง่ๆเนี่ยมันไร้สาระถ้าเก่งจริงๆเนี่ยชีวิตเราต้องอิสระอิสระจากกิเลสตัณหาอุปท า, านอิสระจากความเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมนั่นแหละคนเก่งนะเมื่อกี้ หลายท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพ่อครูเป็นคนธรรมดามากราบสามครั้งเหมือนกราบพระทำไมอันนี้จะเล่าให้ฟังนะพระอยู่ในภูเขาจิตนะคำว่าพระคืออะไรพระอยู่ในภูเขาจิตนะพระเบื้องต้นคือโสดาปติมัคโสดาปติผลนี่คู่แรกสกิทาคามีมัคสกิคาคามีผลผู้ที่สอง อนาคารมีมักอนาคารมีผลในคู่ที่สามอารหัตมักอารหัตผลในคู่ที่ส4สี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระอริยะสงฆ์เราก่าวไหวพระอิฐพระปูนทำไมไหวก้อนหินทำไมยังไหวได้มีบางสายเขาบอกว่าสมโพธิพระจริงๆไม่ใช่พระอิฐพระปูน แต่พระอิทพระปูนนี่คือสั ญ, ญลักษณ์เรากราบไหว้เพื่อแล้ลึกถึงเนี่ยยิ่งกว่าพระอีกนะแลลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสั ญ, ญลักษณ์เพื่อแล้ลึกถึงพระองค์ไม่ใช่กราบไหว้พระอิทธพระปูนในฐานะพระในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอโน่นขอนี่อันนี้คือคนโง่นะพระจริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างในจิตนะีพระอยู่ในภูเขาจิต การกราบไหว้ในพุทธศาสนาเราเป็นอุบายวิธีเนี่ยให้เรานอบน้อมถ่อมตนทำลายอัตตาตัวเองไอ้คิดว่าตัวเองเก่งเก่งเก่งแล้วมีอะไรให้สังคมบ้างเก่งวิชาการเก่งวิชาการแต่ไม่ตั้งใจสอนไม่สนใจเด็กแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วเก่งแค่ไหนคุณครูที่นี่อย่างมากก็ปริญญาโทใช่ห คนเขาจบดอกเตอร์ปริญญาเอกเลยเนี่ยเรียนปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ออกมาไม่ยังคุยกันไม่รู้ภาษานั้นเก่งแบบนั้นไงคนเก่งจริงๆต้องไม่ทะเลาะ ก, กันต้องคุยกันรู้เรื่องต้องพูดแต่เรื่องเป็นประโยชน์เป็นกุศลต่อตัวเองและผู้อื่นอันนี้มันไปเรียนเก่งเพื่ อ, อามาทะเลาะ ก, กันเพื่อเอาเปรียบคนอื่นไอ้พวกนี้เนี่ยชั่วร้ายมากอัตราตัวตนเยอะไม่ยอมเปลี่ยนการศึกษาทุกวันนี้ไม่เปลี่ยนนะเราเป็นเต่าล้านปี บารมีในหลวงเราตอนนี้น ะ, นะคำว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ทฤษฎีเป็นปัจฉิาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงแต่ว่าทางการเกษตรเนี่ยทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นทฤษฎีเกษตรพอเพียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเซี่ยวหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านตัดลงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตพอเพียงมันรวมทั้งหมดแต่บังเอิญยุคนี้มนุษย์เราไปบ้าเศรษฐกิจต้องมีเศรษฐกิจก่อนค่อยดารงชีวิตได้ทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นแค่ทํางานหาเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีจะกินต้องไปกู้นี่ยืมสินเขากินไปงูกู้นี่ยืมสินเข้ามาซื้อวัตถุในแง่ชีวิตมันไร่สาระแต่ชีวิตพอเพียงเนี่ยเศรษฐกิจเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของชีวิตพวกครูบอกตลอดเวลาว่าเออต้องหาเงินมาเยอะก่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์ได้คุณมีเงินเยอะๆคุณจะมาสู่ศูนย์นี้ไม่ได้ไม่ได้คุณมีแต่ใช้เดี๋ยวเงินคุณก็หมดแล้วคุณก็อยู่ไม่ได้คุณมาอยู่ศูนย์นี่คุณต้องไม่มีเงิน พ่อครูเคยบอกเขาว่านี่ไงเพราะคุณเจ้านั่งอยู่ที่นี่ภิกษุณีสามเณรคุณเมธีเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะเขาไม่มีเงินแล้วก็ถูกกาบไหว้ด้วยพิจารณาอาหารก่อนคนอื่นนี่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไงแต่สังคมมนุษย์ทุกวันนี้มันบ้าตายกับเศรษฐกิจทะเลาะ ก, กับเศรษฐกิจฆ่ากันเพราะเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจแล้วในหลวงถึงชี้ว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมตอนนี้เราพอเพียงไหม มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสิของโลกเนี่ยมันพอเพียงไหมก็มันยังไม่พอไงมันยังกระเสือกกระสนอยู่นะถ้าเขาไม่พอเขาจะไม่มีวันเป็นเศรษฐีเขาจะไม่มีเศษส่วนเกินมาแบ่งปันเขาจะพลาดโอกาสในการสร้างอรลัยศัพดิ์อย่าเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนกันพออยู่พอกินพอใช้ถ้าแค่นั้นสู้ลิงไม่ได้ลิงมันก็พออย่แล้วม่นต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทํางานเมื่อต้องมีเจ้าหนี้ลูกนี้ ไม่ต้องไปเป็นหนี้เขาไม่ต้องไปผ่อนส่งของเขามันมีความสุขมากเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีส่วนเกินต้องมีเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันนั่นแหละคือพอเพียงจริงๆไม่ใช่แค่พออยู่พอกินพอใช้อย่างนี้ไม่ต้องเรียนหนังสือไปเป็นลิงไปเป็นทาสานมันก็พอไงพอแบบไม่ต้องทุกข์ด้วยไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปแข่งกับใครเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่ไม่ได้แปลว่าพอแล้ว แต่พอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้วต้องขยันขันแข็งทำต่อไปเพื่อให้มันมีเพียงพอเพื่อจะให้เพื่อจะสร้างอริยทรัพย์แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาเงินก่อนมาทําบุญนะอย่างนี้เพราะคุณเจ้าภิกษุณีสามเณรคุณแม่ชีนี่ก็พลาดโอกาสในการทาบุญไม่ใช่โดยเฉพาะเกษตรสมัยโบราณเนี่ยเขาลงทุนลงแรง เขาเอาแรงเป็นทุนไม่ใช่เงินทุกวนันนี้ลงทุนไม่มีทุนก็ไปกู้หนี้สินไปลงทุนก็เลยมีกําไรขาดทุนไงแล้วถูกทุนนิยมมันหลอกว่าทุนิยมมันหลอกนะทําให้เราเป็นคนให้ไม่ได้เพราะเราไม่มีพอไงฉันมีแค่นี้ยังไม่พอเลยให้เธอได้ยังไงต้องรวยก่อนค่อยมาปฏิบททัติธรรมตายก่อนไอ้รวยที่หนึ่งในโลกมันยังไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเลยตายก่อน แต่ถ้าเราเข้าใจปัจญญาเศรกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยเราจะเป็นเศรษฐีทันทีโดยที่ไม่มีสตังค์เราจะมีเศษส่วนเกินมีกําลังส่วนเกินมีเวลาส่วนเกินมีประสบการณ์ส่วนเกินมาทําบุญทุกวันเหมือนคุณไม่ชีสมัมมเนนพระคุณเจ้าทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไปหาเงินก่อนมาทําบุญนะเออทาบุญไปร้อยบาทสาธุถุกลวันที่หนึ่งอันนี้ก็ค้ากําไรเกินควรอีกไม่ได้อะไรเลยนะ เพิ่มกิเลสทั้งต่างหากพวกคูถึงเสียดายมากเราเกิดมาได้เจอคําสอนที่สุดยอดคือพระพุทธเจ้าได้มาพบพระมหาโพธิสัตว์อย่างในหลวงราชการที่9้าของเราแต่เราไม่ฟังเราไม่เชื่อเราไปฟังทุนนิยมวัตถุนิยมเราถึงเดือดร้อนไงเพราะเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าเราไม่ฟังในหลวงราชการที่9้า พ่อกูเนี่ยไม่ใช่ฟังพุทธเจ้านะถวายชีวิตยถึงมาอยู่ที่นี่แล้วบังเอิญพอศึกษาเศรษฐกษิจพอเพียงของในหลวงราช ก, การนะโชีวิตนี้พ่อกูพอละไม่ต้องฟังใครอีกนะมาเจอพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่เจอคำสอนพระองค์ทำให้เราพ้นทุกข์แล้วมาเจอปัญญาเศรษฐพอเพียงเพื่อแก้ปัญหามนุษยชาตินะเราเชย แล้วไม่มีสำนึกกันสหประชาชาติเนี่ยเขามาซื้อฉายาลักษณ์ในหลวงนี่รูปนะโรงเรียนพ่อช่างแห่งหนึ่งเนี่ขาให้นักศึกษาในวาดเขาเลือกไอ้ภาพดีที่สุด32รูปเนี่ยมาแสดงสหประชาชาติเ็าส่งตัวแทนมาเลือก9รูปนะไปแสดงนิทรรศการที่สหประชาชาติอยู่ที่นิวยอร์กวันที่5ทธันวาที่ผ่านมา แล้วเขาเลือกสองภาพนะเพราะครูได้ข้อมูลมาแล้วภาพไหนบ้างภาพที่พระองค์ทรงงานนะสถิตไว้ตรงสาธาริชน ต, ตลอดการมีคนเดียวไม่ใช่กรรษัตริย์องค์เดียวนะคนเดียวในโลกนี้ที่เป็นอย่างนั้นเขาให้ความสำคัญขนาดนี้แต่คนไทยเราเนี่ยทำอะไรอยู่มีสำนึกไหมบางคนอันนี้พูดแลกเปลี่ยนนะไม่ใช่คนปงผมเนี่ย ถวายในหลวงก็เป็นคนเก่งคนดีอย่าหลงตัวเองด้วยนะเรามีโอกาสแต่คนไม่ปรงเนี่ยก็ไม่ใช่ผิดแต่พูดแรงมากทำไมลักในหลวงต้องปรงผมละ่ะถามคืนก่อนแล้วทำไมลักในหลวงถึงไม่ต้องปรงผมละ่นะแค่ผมเฉยๆเสียสละก็ไม่ได้ไงไม่ได้ตัดคอนะตัดผมถ้าตัดคอมันตายเลยไงอย่าเพิ่งตัด ถ้ายังไม่ถึงนี่ผ่านใหญ่ถึ้นตัดแต่ตัดผมมันจะมีอะไรเสียหายหรอมันแสดงออกถึงความกระตันอยู่รู้คุณเห็นไมอย่างพ่อแม่เราตายญาติพี่น้องตายทำไมเราปลงผมบวชให้เขาล่ะอะอันนี้ในหลวงนี่ยิ่งกว่าพ่อแม่เราร้อยร้อยคนพันคนเลยนะท่านเป็นพ่อหลวงของคนทั้งประเทศนะเที่ยวก่อนพระกูก็พูดให้ฟังอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์โลกประชาธิปดีปูติน ของรัสเซียน่ยเขาพูดออกมาเลยว่าในโลกนี้เขาไม่ยอมแพ้ใครแม้แต่หนึ่งคนแต่เขายอมแพ้ King of Thailand ก็คือพระมหาราชาของประเทศไทยเขาบอกว่าพระ อ, องค์เป็นมหาราชโดยไม่ต้องไปลุกลานใครไม่ต้องไปฆ่าใครแต่พระ อ, องค์เป็นมหาราชในดวงใจของปวงชน ชาวไทยทั้งหมดแล้วพิสูจน์แล้วเห็นไหมเกือบจะครบร้อยวันแล้วยังต้องเลียงแถวเข้าไปกราบพระศบเนี่ยตั้งแต่ตีสี่ไปต้องเลียงแถววันหนึ่งหลายหมื่นคนเห็นไหมผลที่พระองค์ทำเนี่ยขาดทุนคือกําไรพระองค์ขาดทุนตลอดเพ่นพนผู้ให้แต่ในแง่ชีวิตเนี่ยผู้คนแท้สองสารเสพไปทั้งโลกนี่แหละมนุษย์ผู้ประเสริฐนี่แหละคือ พระมหาโพธิสัตว์ก็อย่าไปหลงว่าตัวเองเก่งตัวเองอะไรเนี่ยนะเราเนี่ยจิบจ้อยเราเป็นแค่คนธรรมดายังไม่มีโอกาสยันจะไม่พิเศษบีบสร้างบารมีตัวเองพระองค์เป็นใครพระองค์อยู่ในสถานภาพที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ไม่มีใครว่าไงพระองค์ไม่ได้เสียสละพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ ควรทำเพราะพระองค์มีปัญญามีมหากรุณาที่คุณมีมหาปัญญาคุณนั่นและแล้วก็พระดำรับแรกเห็นไหมเราจะคองแผ่นดินโดยธรรมและอันสุดท้ายเมื่อปีใหม่59ที่ผ่านมาส่งท้ายปีเก่าห8นี่อันสุดท้ายพระองค์แสดงว่ายังไงหลังจากพระองค์ทุ่มเทดูแลลูกหลานพระองค์จนอายุ จน70ปีจนพระองค์มีพระชนมายุ89พระองค์ไปเจอสัจธรรมพระองค์บอกว่าชีวิตเราไม่ใช่มีแค่ความสุขมันมีความทุกข์ด้วยนะทุกคนต้องเตรียมความพร้อมพระองค์ลงท้ายคำว่าอย่าประมาทซึ่งไปตรงกับพระพุทธเจ้าเราวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปณิพนนานพระองค์ก็บอกว่าอย่าประมาท ไอ้คำนี้แหละเตือนศูนย์พลานข่อยเหมือนกันนะตอนนี้ผู้คนเราเพิ่มขึ้นเห็นไหมวันหนึ่งครัวเราต้องทำอาหารเลี้ยงคนเป็นพันเราปากมากขึ้นไงปากมีประโยชน์นะถ้ารู้จักใช้มันเห็นไหมเราเติมน้ำมันเราต้องมีช่องใส่น้ำมันนะไอ้ปากนี่เป็นช่องใส่น้ำมันเติมพลังชีวิตให้เรา แต่ถ้าไม่ระวังใช้ปากไปด่าคนไปอิจฉาคนไปเสียดสีเขาอันนี้ตกนรกปากเยอะเพราะครูไม่กลัวเพราะมาหนึ่งปากเอาสองแขนมาด้วยเอาสองขามาด้วยเอาหนึ่งสมองเอาใจมาด้วยใช้มันกินให้มันแข็งแรงมือหนึ่งมาช่วยกันทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองมือหนึ่งมาช่วยกันทำงานแบ่งปันให้ผู้อื่นอันนี้แหละอย่างต่าคือสวรรค์สมบัติอย่างสูงคือนิพพานสมบัติ ไม่ใช่เกิดมาเป็นมนุษย์ไล้สาระไปวิ่งตามเขาเ อ, อ, อันนี้ก็รุ่นใหม่รุ่นใหม่เราเป็นครูเราต้องสอนให้ลูกหลานเราสร้างรุ่นใหม่ไม่ใช่เป็นหลงรุ่นใหม่มันไม่เก่งหรอกแต่ถ้ามันคิดไม่เป็นมันมันสร้างรุ่นใหม่ได้ไหมนะเดี๋ยวคุณครูทุกคนต้องมาเข้าค่ายเที่ยวก่อนเราเข้าค่ายพอดีนะมันอเออเรามาเจอในหลวงเราสอนคต ล้วอยู่ในสภาวะโศกเศร้าก็หยุดค่ายก่อนนะคุณครูต้องมาเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ตอนนี้ไม่ชีน้อยไม่ชีปฐมไม่ชีมัธยมนะอันนี้ก็เล่าให้คุณครูฟังว่าเขาเรียนกันยังไง ไม่ใช่ไปเรียนท่องจํำในในวิชาการสอบเป็นเป็นเขียนติยศอันดับหนึ่งแต่ว่าทําอะไรไม่เป็นคุยกับเพื่อนฝูงไม่เป็นไม่มีแม่ตานั่นไร้สาละไอ้พวกยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัวเนี่ยนะเมื่อเช้าก็คุยกับเด็กๆประถมคุณครูฟังนะเด็กๆประถมที่นี่ตื่นตีสี่ครึ่งเขาออกไปวิ่งรอบศูนย์พราะครูเป็นห่วงว่านอนพอไหมปรึกษาเม่ชีดีเมื่อเช้าก็สอบเองว่า เมื่อคืนนอนกี่โมงลูกสามทุ่มตื่นตีสีกว่ามอนพอไม่พอเห็นพอวิ่งเสร็จเขาก็เข้ามาสาราเมชีปฐมเนี่ยดูแลข้างหลังนะ่ความสะอาดทั้งห้องน้ำทั้งนนทเมจีมัธยมเราดูแลข้างหน้านี่กิจว่าประจําวันนะลักลักถูเสร็จปุ๊บส่วนหนึ่งก็วิ่งไปสุเรียนจันทานะเขาเสร็จแล้วประมาณหกโมงเขาเขาปฏิบัติครึ่งหนึ่ง้ก็ไปครึ่งหนึ่งก็เอา แล้วก็ขึ้นมาศาลานี่หกโมงขึ้นก็ปฏิบัติถึงเจ็ดโมงขึง้เห็นหแล้วก็ไปโรงเรียนพอเสร็จตอนเย็นก็ไปช่วยกันปลูกผักนะเมชีปถมนั่นดูแลผักในดินเมชีมัธยมดูแลผักในน้ำไฮโดรโปรนิกทุกวิชาอยู่ในนั้น ภาษาอังกฤษอยู่ในนั้นภาษาไทยอยู่ในนั้นคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นชีววิทยาอยู่ในนั้นปัจจัยาชีวิตยอยู่ในนั้นการศึกษาไม่ใช่ไปแยกส่วนเรียนวิชาวิชาเก่งวิชาเดียวแล้วไปหลงว่าตัวเองเก่งบริหารชีวิตตัวเองก็ไม่ถูกต้องเมื่อเช้าวพ่อคูก็คุยกับพี่ฟ้าอายุห้าขวบเขายืนหมุนเป็นชุดเขาเข้าไปครึ่งชั่วโมงเขาก็ดขึ้นครึ่งชั่วโมง แมีหน้าที่ดูแลเก็บไข่ไก่มีไก่สี่ตัวอยู่บนกระชังปลาดุกแกเลี้ยงไก่ไก่มันมีสำนึกมันมีกระตันอยู่มันกลัวเป็นหนี้เรามันก็ออกไข่มาให้เรากินให้โปรตีนเราเสมอกันแล้วนะมันไม่เป็นหนี้เราแล้วทีนี้มันแถมมาด้วยมันขี้ลงไปให้ปลาปดุกมันกินมันไม่โง่ที่จะเป็นหนี้ใครไงเนี่ยไก่มันก็ยังรู้จักกตันอยู่รู้คุณคน มีคนเท่านั้นซึ่งเป็นอักาตันอยู่ไก่พืชต่างๆเนี่เขามีกระตันอยู่ทั้งนั้นแหละปลามันก็ไปกลัวเป็นหนี้เราอีกก็ขี้ไปนะคุณไม่ชีก็เอาน้ำตัวนี้ไปเลี้ยงผักอันนี้สงที่เราเลี้ยงไก่แรกๆปุ๊บเนี่ยเราก็ได้กินผักเลยนี่คือห่วงโซ่อาหารนี่คือการศึกษาไม่ใช่ซื้อบ้อเรียนแต่วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วไปหลงว่าฉันเก่ง การศึกษาแบบนี้ไปไม่ได้แล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ในแง่ชีวิตไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเราต้องรู้ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของสิ่งนี้เห็นไหมตรงแปลงผักใหญ่แล้วก็มีบ่อปลาสามบ่อปลูกผักกระเฉดด้วยอยู่รอยน้ําผักบุ้งด้วยเห็นไหมนั้นมีทั้งปลานิลปลาดุกปลาไรคนละบ่อแล้วก็เราใช้โซล่าเซลล์เนี่ยมาปั๊มน้ําไปนักคำนี่ไปให้น้ํา เมื่อเรก่อพ่อกรูยืนดูครึ่งวันเนี่ยได้ไม่กี่ต้นเราใช้ระบบใหม่มีตัวตั้งเวลาแค่เจ็ 800, ดแปดร้อลงทุนต่อสายหน่อยหนึ่งพอถึงเวลาปุ๊บมันฉีดแค่สามเทีเสร็จหมดเลยแปลงใหญ่กเกษตรต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนสถานคติใหม่เพราะค่าแรงมันแพงแล้วมันไม่มีแล้วแล้วคนเดียวนี่จะไปทําได้หลายอย่างนเนี่ยต้องใช้เทคโนิลยนี่คือการศึกษา อย่าไปอวดเก่งอวดดีว่ารู้วิชานั้นคุณก็รู้แค่วิชานั้นแต่วิชาชีวิตนี่มันต้องรวมกันในหลวงรู้ทุกวิชาพระ อ, องค์ไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะพระ อ, องค์รักลูกหลานนะเข้าใจเข้าถึงพระ อ, องค์ไปเองเลยไม่ฟังรายงานไปเลยรู้ว่าเขาจนเพราะอะไรปัญหาอะไรพระ อ, องค์ก็เนี่ยต้องประจักษ์แจ้งก็คือว่าประจักษ์ก็คือว่ า, ร, ก ร, กวารู้แจ้งต้นเหตุของปัญหาพระ อ, องค์ก็ประยุกต์ประยุกตศาสตร์ทุกศาสตรนี่มารวมกันแล้วก็ พัฒนาการศึกษาต้องเป็นแบบนี้ทุนนิยมมันต้องการให้เราโง่ให้เรารู้เรื่องเดียวเก่งเรื่องเดียวเพื่อเป็นขี้ค่ามันให้มันเก่งเรื่องเดียวทำเงินให้มันไงอย่างอื่นคุณต้องคิดไม่เป็นการศึกษาถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยนะยิ่งสังคมต่อไปแข่งขันเสรีเนี่ยลูกหลานเราเป็นเหยื่อหมดพกก่อครูกำลังทำอยู่ที่ผ่านมาก็ลองอยู่นะ คุณครูบางทีไม่เข้าใจว่าเออเด็กที่นี่มันไม่เก่งเก่งวิชาการแล้วออกมาคอร์รัปชันคนคอร์รัปชันเป็นมันคือมันเก่งนั่นแหละคนไม่เก่งมันจะคอร์รัปชันเป็นอย่างไรเราคนดีก่อนคนดีคืออะไรปรัชญาของโรงเรียนก็บอกแล้วว่าเป้าหมายของโรงเรียนคือเราต้องเด็กเขาเป็นอนาคตของชาติเนี่ยเราต้องสอนอนาคตของชาติให้เขามีความรู้ไม่ใช่รู้วิชาการ วิชาการเป็นแค่เครื่องมือประเมินความรับผิดชอบเขาท่านนั่นเองเพราะวิชาการเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยทุกวันเนี่ยเรียนจบตรงนี้มันเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่มันเป็นแค่เครื่องมือเนี่ยประเมินว่าเขารับผิดชอบหน้าที่เขาไหมไม่ใช่ไปเก่งวิชาการแต่ตอนนี้เรามาประเมินวิชาการกันเนี่ยนะถ้าคุณครูไม่เปลี่ยนวิสัยทัศน์ลูกหลานเราก็เป็นเหยื่อเด็กเราต้องรู้อะไรรู้ผิดชอบชั่วดี รู้บาปบุญคุณโทษรู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมนี่แหละชีวิตจะเอาตัวรอดนี่คือความรู้วิชาการ 90% ไปเรียนรู้กับของต่างชาติหมดมันตอนนี้มีบริษัทหนึ่งยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนายทหารมาบอกพ่อครูนี่นอันตรายมากเขาเปิดมหาลัยของเขาเองเลยลูกน้องเขาขายอยู่ร้านสปสินค้าเขาเหนื่อยไปเรียนฟรีเรียนฟรีมันล้างสมองให้ซื่อสัตย์ต่อบริษัทเขาไม่ใช่ซื่อสัตย์ต่อประเทศ ให้มึงคิดไม่เป็นมึงเก่งเฉพาะเรื่องที่ฉันอยากให้เธอรู้มันสอนให้เราเป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งในการสร้างทุนของเขาท่านนั่นเองบ้านเมืองอันตรายมากเราไม่ใช่โรงเรียนเอกชนแบบเก็บตังค์นะลูกเราโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิเลือกมน ท, ที่ชายแดนนี่เพราะว่าไม่ต้องไปกันกองคนไหนจนคนไหนรวยน่ส่วนมากมันจนหมดไง เรามาทำเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อเอาคุณครูทุกคนเนี่ยถ้าอยากรวยเนยีในหลวงเตือนอยู่แล้วว่าเป็นข้าราชการอยากรวยลาออกไปค้าขายอาจจะรวยแล้วก็อาจจะเจงแต่ถ้าเป็นครูเป็นข้าราชการเราอย่าไปหวังรวยนะต้องหวังทำหน้าที่อย่างยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจเกิดจากสิ่งที่เราได้ให้เราเป็นรุ่นเยนเอกชนศึกษาสงเคราะห์ไม่ใช่มาเปิดเพื่อหาตัง ถ้าคุณครูไม่ตื่นขึ้นมาเอาแค่แคตัวรอดคุณครูก็ไม่รอดไม่มีใครรอดไม่แต่คนหนึ่งเป็นธาตหมดนะเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของมนุษย์เสียชาติไม่ใช่เฉพาะคนจนทั้งโลกตอนนี้มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปีมันเจาะขึ้นมาวันนึงหลายล้านบาเรียวมาแลกเป็นเงินข้างล่างเป็นโพรงหมดมันถึงเกิดแผ่นดินไหวไง อาทิตย์ก่อนมันไหวอยู่ทางเหนือเนี่ยน้ำบาดาลเนี่ยซึ่งทหารเขามาเจาะเราเนี่ยใช้ดีๆหายไปเลยปีที่เกิดสนมิปากใต้ปึ้งน้ำบาดาลอยู่หน้าศูนเพราะกูใช้มาเป็นสิปีมันหายฉับพลันเลยเพราะว่าโลกมันเอียงน้ำบาดาลมันเปลี่ยนทิศนี่คือฝีมือมนุษย์ถ้าไม่หยุดนะโลกใบนี้นับถอยหลัง ในหลวงเป็นพระ อ, องค์เดียวพระ อ, องค์แรกที่กล้าเสนอปัชญาทวนกระแสวัตถุนิยมตลอดเจปีแต่พระ อ, องค์ออกมาอย่างชาญฉลาดนิ่มๆแต่หลายคนชลาใจเนี่ยใกล้เกือกินด่างเพชรเมร็ดงามต่อหน้าไม่เอาฟิ่งไปหาข้างนอกไปตามฝรั่งมันฝรั่งไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะกูอยู่เมริกาเพื่อนฝรั่งเพราะกูซินเชียมากเรารักกันแต่นโยบายเป้าหมายเขาผิด เป้าหมายเขาผิดมันจะเน้นแข่งขั น, นจะเป็นใหญ่มันจะครองโลกอะไรเนี่ยนะมันผิดไงแต่ไม่ใช่คนเขาไม่ดีคนเขาเนี่ยสินเสียมากแต่ว่าเป้าหมายประเทศเนี่ยทุนนิยมเขาต้องคิดว่ายังไงเขาจะได้เปรียบในทําให้โลกใบนี้เนี่ยเละตุ่มเปะถ้าคุณครูไม่ระวังคุณครูก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกวัตถุนิยมเราเป็นแค่ผู้บริโภคนิยมแล้วก็สอนเด็กๆ เ, เราเป็นแค่ผู้ตาม มาเหอกันมีรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่ไล่สาระถ้าจะโชว์นะต้องสร้างรุ่นใหม่มานั่นตบมือให้นะเมื่อพวกครูจำเป็นต้องเรียนรู้นะพวกครูทำเกษตรเพื่อชีวิตมาตั้ง28ปีแล้วไล่แหลมทองนะ่ไอ้ที่ทำทำอยู่ยี่สบกว่าปีทำมาหมดแล้วแต่ตอนนั้นปลุกไม่ขึ้นขนาดในหลวงเรานี่ทุ่มเททุกอย่างน่งก็ได้แค่นิดหนึ่ง หนึ่งในร้อยก็ไม่มีนะเพราะคนเรามันไปหลงกับวัตถุนิยมไงแต่ตอนนี้วัตถุนิยมแพ้ภัยตัวเองแล้วหลายคนกลับมามองตัวเองแลวจะไปทางไหนล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนสารต่อปณิธานของในหลวงมันก็เป็นบุญด้วยและมันการแก้ปัญหาศูนย์นี่คล้ายๆว่าเฮ้ยเราไม่พอเพียง เรายังเอาเงินเราไปซื้อผักซื้ออะไรอยู่กับพ่อคา้าแล้วเราควบคุมคุณภาพอาหารก็ไม่ได้นี่ไงในหลวงเตือนเราว่าอย่าประมาทพอครูก็เลยจากปีนี้ทั้งปีเนี่ยศูนย์จิตใจก็เดินไปศูนย์สมองโรงเรียนก็เดินไปแต่โรงเรียนต้องปรับนะถ้าครูยังคิดแบบเก่าเลยเนี่ยเหมือนเราไม่รับผิดชอบบ้านเมืองเรามักง่ายผ่านไปวันวันหนึ่งเราเป็น ส่วนหนึ่งของการสร้างกรรมนะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรับกรรมนั้นคุณครูต้องเริ่มคิดกันแล้วต้องปรับตัวแล้วก็เห็นแล้วว่าระดับชาติเปลี่ยนรัฐมนตรีมันพยายามอยู่แต่ว่ามันจับประเด็นไม่ถูกไงเราต้องช่วยกันดูว่าเอาอยัางไง l e ARNING BY DOING พยายามเน้นเรื่องเรียนรู้ปฏิบัติมันก็มันก็เข้ามาแล้วแต่ว่ามันเหมือนปากว่าตาขยิบล่ะส่วนหนึ่งเขาก็เจอปัญหาเขาบอกว่า ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มวิชาใหม่ให้มาเรียนอีกมันขัดแย้งอะ่ะเด็กไม่ต้องเรียนเยอะหรอกวิชาการตอนนี้พกต่อไปคุณครูเนี่ยไม่ต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่ตกงานอะ่ะนะเพราะคุณครูอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวขยันมันไม่เที่ยงเก่งอยู่จะไม่รับผิดชอบไร้สาระมีแต่พูด เขาจะใช้หุ่นยนต์เนี่ยคอมพิวเตอร์เหมือนหุ่นยนต์เหรถ้าวิชาการเรียนแค่นั้นก็พอนะการศึกษาต้องเปลี่ยนไหมไม่ประเมินวิชาการประเมินพฤติกรรมเห็นไหมโอ้เด็กที่นี่เอาเปรียบที่ที่โรงเรียนเหรเด็กที่นี่เขาเรียนวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเจวันนะเจวันแต่เขาเรียนภาคปฏิบัติจริงๆเห็นไหมครูเก่งๆเนี่ยลองไหม มาลองกับพ่อครูไหมมาโกนผมขค่ไหนนึงก็โกนไม่ได้หรือามาบวชก็ไม่กล้าไงนี่เด็กๆ เ, เขาเก่งไหมเขามาทดลองเป็นนักบวช ด, ดูเนี่ยไม่กินข้าวเย็นดูเป็นยังไงมันจะตายไหมตื่นตีสี่กว่ามาวิ่งได้ไหมมาปฏิบัติธรรมทุกวันแล้วมาทําเกษตรทุกวันอย่างนี้ได้ไหมนี่คือการศึกษาไงแล้วต่อไปเราจะเข้มแข็ง ไม่ใช่ไปติดบ่วงแบบเก่านะเรียนในห้องเรียนแล้วประเมินในห้องเรียนนะ่ะแล้วไปอวดเก่งกันเก่งจริงๆคุณครูอย่าเป็นนี่สิอย่าเป็นนี่ที่ทำไปแล้วก็ทำไปแล้วหยุดวางแผนชีวิตหน่อยนึงถ้าอยากได้ก็เก็บหอม อ, อมฤตสะสมไว้อยากได้มากแก้งก็ไปอยู่ในบ่วงมนแล้วเห็นไหม รูดเวลาเครดิตการ์ดมันรูดง่ายมันรูดง่ายไงแต่เวลาจ่ายมันง่ายไหมล่ะพ่อครูไปอเมริกาใหม่ๆนะขอเครดิตการ์ดไปมันเด้งมาหมดเลยเราไม่มีเครดิตไงเอาเงินไปฝากธนาคารขออยู่มันก็เด้งอีกมันไม่เชื่อคนมีเงินบางทีไม่ใช่เงินเรามันเชื่อคนมีหนี้โว้ยสนุกอย่างนี้สนุกใช่ไหมเอาเงินฝากไว้ธนาคารแสนเหรียญกู้มันเลยเอาเงินตัวนี้ค้าประกันกู้มัน แล้วเอาเงินก้อนเก่าไปฝากสามธนาคารเป็นหนี้หมดนะเอาสิ้นเดือนจ่ายนะโอเคไม่ต้องรอสิ้นเดือนที่สิบห้จ่ายมันหมดเลยพอจ่ายส5บห้าปุ๊บเอ15้านี่ก็ A A สามธนาคารสมเดือนทริปโปหมดคอมพิวเตอร์ไม่ได้เก่งหรอกหลอ ก, ลอกมันได้ขอไปนี่อย่าว่าจะโกคาร์ดนะบัตรทองเนี่ยซิลเวอร์คาร์ดอันนี้ซื้อเหลือยอดก็ได้อะนะ มันส่งมาหมดพราะคูตัดทิ้งคืนมันไปเพราะคูไม่เคยเป็นทาสมันแต่อยู่เมืองนอกต้องใช้ใบเดียวเพราะเราเดินทางมันบางทีพักโรงแรมมันมันไม่ไม่ยอมรับเงินสดเป็นคําประกันเอ้าวลูดคําประกันพอวันสุดท้ายจ่ายเงินปุ๊บจ่ายเงินสดเพราะคูไม่เคยเดินตามมันเลยเครดิตการ์ดมันไม่ได้แอมพราะคูหรอกอันนี้ลูดลูดเวลาลูดมันง่ายไงเวลาจ่ายเงินมันง่ายไหมหยุดนะคุณครูหยุดนะ ไอ้ที่ทําไปแล้วเป็นบทเรียนอย่างนี้น้อยไม่ไม่ทำมันก็ไม่เห็นทุกข์เลยไเห็นทุกข์หรือยังเรอเราอ้างว่าคุณครูเมืองไทยเป็นหนี้ทั้งหมดไม่มีกระจิกกระใจสอนพราะครูบอกว่าไปตายซะใครเป็นคนทําหรอเขาจ้างคุณมาเป็นครูคุณทำให้ตัวเองไม่มีกำลังใจสอนเพราะคุณไปสร้างปัญหาตัวเองเนี่ยไม่อายเหรอ ครูงเรียนเราต้องไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่ทำไปแล้วรู้เท่าไม่ถึงการแล้วนี่หยุดซะวางแผนชีวิตใหม่อย่าไปหาความสุขกับการมีวัตถุเลยมันอันลิมิตมันไม่มีวันสิ้นสุดมาหาความสุขกับการให้อย่ารักชาติแต่วาจายุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนแล้วไม่ใช่สร้างชาติปลุกโดดมให้ ให้มันชาตินิยมแล้วไปสู้กับประเทศอื่นไล้สาระในหลวงราชการที่เก้าเราไม่ทำสร้างให้เขาเป็นคนดีคนดีคือว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเขาพอเพียงแล้วเขาก็มีส่วนเกินเพื่อแบ่งปันนั่นแหละเขาเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันนั่นแหละคือความสุขนั่นแหละคือเศรษฐีเศรษฐีไม่ต้องรอไม่ต้องรอมีเงินรวยนะเราเป็นเศรษฐีได้ทุกวันไมนี่คือการศึกษา เ ด, เด็กเขาต้องทำจนต้องตื่นตีสี่ครึ่งได้จริงๆต้องมาทำงานได้จริงๆต้องคุยกับผักรู้เรื่องคุยกับไก่รู้เรื่องคุยกับปลารู้เรื่องนันภาษาธรรมะไงเราต้องรู้ว่ามันชอบอะไรมันเกลียดอะไรมันต้องคุกคีกับมันนี่คือ learning by doing นี่คือการศึกษาที่แท้จริงแต่ตอนนี้ความมักง่ายของคนจัดการระบบการศึกษาหลักสูตรเดียว บังคับให้คนทั้งประเทศเป็นหุ่นยนต์หมดแล้วประเมินกันง่ายๆไ ง, งผู้ใหญ่มากง่ายเนี่ยสารจังหวัดศรีสะเกดเพิ่งเอาคนมาเข้าค่ายนะเขาเป็นหัวหน้าสารนะเขาเป็นระดับสารเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจแล้วเขามาที่นี่ทำไมล่ะเอาในแง่เศรษฐกิจเขาเนี่ยในแง่เงินเนี่ยเขาฐานะเขาไม่เดือดร้อน แต่ชีวิตเขายังไม่พอเพียงเขายังคุยกันเมียก็ไม่รู้เรื่องคุยกับคนทั้งงานไม่รู้เรื่อ ง, นะงไะในแง่ชีวิตจิตใจมันยังไม่พอเพียงไงศูนย์เรามีทั้งศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทองแต่ศูนย์สมองเราเนี่ยคุณครูก็พยายามดูแลกันดีอยู่ไอ้ที่ดีก็ดีแล้วแต่อย่าพอใจแค่นี้กล้าเปลี่ยนใหม่ถ้ารู้ว่าทำแล้วมันโง่เนี่แล้วยังไปทําอยู่เนี่ยอันนี้ดับบโง่นะ ต้องกล้าเปลี่ยนไหมแต่ถ้าเราทำจริงแนละ้วเราไม่กลัวแต่ที่นี้ที่ผ่านมากลัวจะไม่จริงอะ่ะไม่ทำมีแต่อ้างน่น อ, อ้างนี่เป็นแค่ข้อแก้ตัวนะตื่นขึ้นมารับผิดชอบสังคมบ้านเมืองร่วมกันลูกหลานเราเนี่ยเขารอไม่ได้เขาแก่ไปวันวันหนึง่งชีวิตเราก็เ อ, อ้อเราเหยื่ไปวันวันหนึ่งนี่ไล่สาระคุณครูไม่อยากเน้นเรื่องผลทุกข์ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่อยากมันก็ได้หรอก ยงน้อยๆอย่าทาให้ตัวเองทุกข์ได้ไหมยอย่าสร้างปัญหาหตัวเองได้ไหม<ะ>เพราะคุณครูเกิดอุบัติเหตุเงินสามสี่แสนเลยนะพวกคูก็ไม่อยากครูคูเป็นหนี้ไงพ่อครูก็วิ่งเข้าไปช่วยไงแต่ครูไปสร้างหนี้เองเนี่ยแล้วใครใครรับผิดชอบต้องมีสำนึกนะไม่ใช่เก่งเอาตัวรอดนะนี่นมันไม่รอดมันโง่นะ เนี่ยคนโง่ไม่ใช่คนคนคนเก่งถ้าคิดแบบนั้นไม่รอดนะนะทางรอดทางเดียวเนี่ยอันดับแรกยังไม่พ้นทุกทําให้ตัวเองอย่าทุกมีความสุขตามมรรภาพสุขเพราะเรามีโอกาสได้ให้ทุกวันนะอาชีพครณนี้ได้เปรียบอาชีพอื่นนะเป็นผู้ให้ตลอดอย่าคิดว่าตัวเองเก่งไปสอนสอนสอนสอนมีแต่สั่งสั่งสงมันเนี่ยมันหมดสมัยแล้ว บางทีเด็กบางอย่างเขาเก่งกว่าเราด้วยใช่ไหมเอาแค่ครูเราตอนนี้เอาไหมมามาคุยเรื่องไฮโดโรพลิกกับกับลูกศิษย์เราเนี่ยแหละเป็นไม่ชีเนี่ยดูว่าใครรู้มากกว่ากันตอนนี้เห็นไหมคนเรามันเก่งคนละอย่างอันนั้นนั่นเก่งไม่ไม่ไม่รู้ก็เรียนรู้ได้อย่าหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งคําว่าครูปุ๊บเนี่ยฉันเหมือนฉันรู้มาทุกเรื่องเลยไปสั่งเด็กๆ เ, เราต้องเรียนรู้นิสัยเด็ก เข้าใจเด็กเป็นแค่ที่ปรึกษาเขาไอ้เรื่องไปสั่งให้เขากัพปี้แบบเราเนี่ยมันหมดสมัยแล้วนะมันจะอยู่ในสังคมไม่ได้นะเมื่อกี้เขาชี้เวลานะ <l ip> เตือนว่าพอแล้วจริงๆแล้วไม่มีวันพอหรอกการเติมเติมความรู้นั่นพูดมากี่ร้อยครั้งยังทำไม่ได้ไงเพราะครูพูดแต่เรื่องเก่าๆก็เรื่องเก่าๆเร่องทำได้หรือ ย, อยังเ <l ip> ที่ยวนี้นี่เขามาอบรมนะ ชาวบ้านก็ถูกเจนมาเข้าค่าอีกเขาบ่นผ่านนะคําว่าไปมาหมดทั่วประเทศแล้วไงก็ใช่แล้วไงก็ไปแค่ดูงานไปเล่นๆเนี่ยพวกกูาถามว่าเออคุณไปมาหมดแล้วคุณทำหรื อ, อยังเงียบหมดเพราะมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าถึงไงมันนึงคิดว่าคนจัดงานก็ทำแล้ะมามันหมดคนไปก็ถูกต้อนไปไปเที่ยวเฉยๆไรสาระ ทำอะไรให้มันถึงแก่นให้มันเข้าใจก่อนมันถึงรู้ว่ามันจำเป็นต้องทำแล้วเนี่ยศูนย์เราจำเป็นต้องทำนะเพราะครูบอกนะเพราะปากมันเพิ่มขึ้นเพราะครูไม่กลัวเอาปากมาเอาสองแขนมาด้วยเอาขามาด้วยเอาสมองมาด้วยเอาใจไปด้วยช่วยกันทำแล้วเราจะได้กุศลแล้วเราจะได้มั่นคงด้วยเกิดวันใดวันนึงเนี่ยไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สมเงินกลายเป็นกระดาษขยะหลงว่าตัวเองมีเงินนะ มีเงินตัวนั้นทำเงินนี่ทำอะไรได้อย่างเดียวนะแค่มาจุดไฟเนะี่ยไปจุดฐานมันท่านนั้นเองนะแต่เราไม่มีเงินเราอยู่ได้เดี๋ยวศูนนี้จะมีลงสีมียุ้งฉางขนาดใหญ่อย่าง น, น้อยตุนเขาเปลือกไว้สองปีลงสีเนี่ยแกรบนี่กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพรำกระปลายเนี่ยเป็นอาหารสัตว์ ข้าวเป็นอาหารคนเราจะครบตรง น, นี้เก็มีอะลงสีรุ่นเก่านะมันใช้แรงมากเลยแต่มันสีจกจกแจ๊กเนี่ยไฟไ ฟ, ฟ้ากินหมดแต่ตอนนี้เขามีลงสีรุ่นใหม่นะสีเร็วมากใช้แรงงานน้อยนะพรา ก, กูกําลังทําอยู่คุณครูต้องมีสํานึกมาช่วยการคิดพัฒนาและไอ้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือสอนเด็กๆเรานะไปเรียนในห้องเรียนมันจะเพิ่ม แค่ความเห็นแก่ตัวเป็นหลงว่าตัวเองรู้ความรู้ที่เรารู้เนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งความรู้เกิดขึ้นจากเราเองเลยคุณครูก็ไปก็อปปี้เข้ามาเป็นนักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้สอนให้เด็กเขากล้าคิดกล้าทำนะเพราะครูมาจับนะเออแค่ไม่กี่วันเพราะครูต้องการข้อมูลตอนนี้ง่ายไงไอ้ความรู้ง่ายแก้วหาข้อมูลมาปุ๊บหาข้อมูลมาหามาทั้งโลกเลย เดี๋ยวพ่อครูดูเองว่าไอ้ตัวไหนมันจุดเด่นตรงไหนมันอ่อนตรวไหนเรามาปรับใช้ให้มันถูกที่สุดง่ายที่สุดแต่มีคุณภาพมากที่สุดไม่ใช่ไปก๊อปปีเข้ามาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นเขาทําผิดเราก็ไปผิดตามเขาโดยที่เราไม่แยกแยะเลยคนทุกวันนี้มักง่ายไงเพราะอยากรู้อะไรก็ถามอากูอกูอากูบอกหน่อยแล้วบอกว่าฉันรู้แล้วรู้แล้วไร้สารละเราต้องเอาองค์ความรู้นั้นอะ มาสังเคราะห์ให้มันเป็นความจริงให้เกิดปัญญาสำหรับเราก่อนเด็กเราถึงจะเป็นอัจฉริยะนะพราครูเริ่มมั่นใจแล้วต่อไปนี้เนื่องจากบา ร, รมีในหลวงเราเราบวชถวายสมในหลวงเนี่ยธรรมดาลราบวชเดือนหนึ่งภาคดูดร้อนจะพาไปเขาค้อให้อาจารย์บา ร, รมีศึกให้เราทั้งเนนทั้งชีไม่มีใครศึกเลย เพราะเขาไม่มีความอยากเหมือนผู้ใหญ่งไงพอกลับมาปุ๊บพวกครูไปสอนอยู่กรุงเทพนวาว่าโทรไปถามว่าจะทำยังไงผู้ปกครองบอกอยังไงบอกบวชให้ในหลวงอ่าพันษาหนึ่งเลยเพราะตอนนั้นในหลวงพระองค์ทรงประชวรอยู่โรงพยาบาลบวชเห็นไมพอสิบสามตุลายังไม่ออกพรรษาเนี่ยบริเนี่วหลวงก็ต่อยอดอีกดีแล้วชัดเจนแล้วหลังจากบวชแล้วเนี่ยอารมณ์ เปี่ยนดีมากจากนี้ไปเนี่ยเด็กที่จะมาอยู่ประจำนี้ต้องบวชชีกับบวชเนนเท่านั้นไม่งั้นไร้สาระไปเก่งๆๆๆแล้วไม่มีศีลวินัยไม่มีอะไรไปทำแต่ เ, เรื่องไร้สาระไปรับมาเรียนเราไปล้างมันสะอาดระดับหนึ่งกลับไปบ้านก็เปื้อนอีกก็ไปดึงก็อย่างนี้หลายปีนะแล้วเด็กเขาได้เต็มโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงนี่เรียนรู้ได้เยอะมากนะ